สถานการณ์พระพุทธศาสนาทวนกระแสไสยศาสตร์หัวข้อที่หนึ่งเราเป็นอย่างไรข่าวร้ายแบบนี้ก็คือข่าวดีที่ควรรีบใช้เวลานี้ทุกท่านย่อมสนใจข่าวคราวความเป็นไปในวงการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือเรื่องข่าวร้ายเกี่ยวกับความประพฤติของพระสงฆ์ พอระลอกโน้นผ่านไปยังไม่ทันเสร็จสิ้นประลอกใหม่ก็เกิดขึ้นอีกและแม้ทันไรเดี๋ยวก็มีมาอีกข่าวร้ายได้ตามติดกันมาเรื่อยเรื่ข่าวเหล่านี้สั่นคลอนความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนและความรู้สึกของคนไทยโดยทั่วไปจนกระทั่งมีการใช้คําว่าวิกฤตศรัทธาหมายความว่าชาวพุทธเราเริ่มมีความรู้สึกไม่มั่นใจในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคือในพระสงฆ์จนอาจจะเสื่อมความเชื่อความเลื่อมใสไปได้ข่าวที่พูดถึงเหล่านี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายแต่เมื่อมีใครมาถามก็จะตอบว่ามันเป็นทั้งข่าวร้ายและข่าวดีข่าวร้ายนั้นก็เห็นชัดรู้กันอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายแต่ที่ว่าเป็นข่าวดีนั้นเป็นอย่างไร ที่ว่าเป็นข่าวดีนั้นเป็นไปโดยมีเงื่อนไขหมายความว่าถ้าเรารู้จักถือเอาประโยชน์จากข่าวเหล่านี้ก็กลับดีเพราะเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ทำไมจึงว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ทำให้เป็นข่าวดีได้เพราะข่าวที่รุนแรงอย่างนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยและเป็นเสียงปลุกที่จะทำให้ชาวพุทธตื่นขึ้นมาแล้วก็สารวจดูตัวเองว่า สิ่งที่เราได้ประพฤติธปฏิบัติตลอดจนเชื่อถือกันมาที่เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนานั้นถูกต้องหรือเปล่าเป็นพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่ทำไมจึงมีข่าวครา ว, าวพระสงค์เป็นอย่างนี้ถ้าพวกเรานับถือและปฏิบัติถูกต้องก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มีอะไรผิดพลาดถ้ารู้ตัวว่ามีอะไรผิดพลาดเราก็จะได้แก้ไข ถ้าเราถือเอาประโยชน์อย่างนี้ได้ข่าวร้ายก็กลายเป็นข่าวดีเพราะทำให้เราตื่นขึ้นมาและทำให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงดีกว่าจะไม่มีข่าวอย่างนี้เพราะถ้าไม่มีข่าวอย่างนี้หากว่าเรามีความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติที่ผิดอยู่แล้วเราก็จะลงผิดต่อไปเมื่อหลงผิดต่อไปโดยไม่รู้ตัวในที่สุดความเสื่อมก็จะมาถึงกลายเป็นความหายนะและความพินาศ เหมือนกับคนที่หลับไหลอยู่ถูกกระแสน้ำพัดพาจนกระทั่งไหลตกเหวไปซะก่อนเลยตายโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าหากว่าในระหว่างที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไปนั้นไปสะดุดอะไรเข้าทำให้ตื่นขึ้นมาก็จะตะเกียกตะกายออกจากกระแสน้ำนั้นแม้จะบาดเจ็บบ้างก็ยังอาจจะเอาตัวรอดฟื้นคืนชีวิตได้จึงเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้น เมื่อมองดูเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นถ้าเรามีโยนิโสมนัสิการรู้จักคิดพิจารณาก็หาประโยชน์ได้จากสถานการณ์นั้นสามารถทําให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้เพราะฉะนั้นข่าวร้ายจึงกลายเป็นข่าวดีได้ถ้าชาวพุทธเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ทําให้เราตื่นขึ้นมา แต่ถ้าเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นแล้วก็ยังหลับกันต่อไปไม่แก้ไขถ้าอย่างนั้นก็น่าเสียใจว่าข่าวร้ายนั้นจะเป็นข่าวร้ายโดยสมบูรณ์และจะนํามาซึ่งข่าวร้ายยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเป็นนั้นว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธควรจะได้ตื่นและลุก ข, ขึ้นมาแก้ไข จากเทพสู่ธรรมะเมื่อพูดถึงข่าวร้ายเหล่านี้โดยโยงไปหาความเชื่อถือและความประพฤติปฏิบัต e ิของชาวพุทธก็เลยจะขอถือโอกาสกล่าวถึงหลักการหรือหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาสักษามข้อขอเอาสามข้อนั้นมาเป็นบทตั้งสำหรับสำรวจว่าเวลานี้หลักการเหล่านี้ ที่ถือว่าเป็นตัวแท้ของพระพุทธศาสนานั้นเรายังเชื่อถือถูกต้องและปฏิบัติถูกต้องหรือไม่และพิจารณาโดยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอพูดถึงหลักการสามอย่างนั้นก่อนหลักการที่หนึ่งคืออะไรขอย้อนกลับไปพูดถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาใครๆก็รู้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดีย ที่เรียกว่าชมพูทวีตและเกิดนานมาแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนน้นเรามาย้อนดูภูมิหลังคือสภาพพื้นเพ ข, ของสังคมอินเดียก่อนที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรและทำไมพระพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นชาวอินเดียนั้นแต่เดิมนับถือศาสนาพราหม ความเชื่อถือและหลักปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลครอบงำสังคมอินเดียทั้งหมดประชาชนถูกสอนให้มีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าคือพระพรหมผู้สร้างโลกและสร้างสรรค์บรรดาลชะตากรรมของมนุษย์ทั้งหลายสังคมมนุษย์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นถูกกำหนดโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระพรหมโดยแบ่งกันโดยชาติกําเนิดเป็นชนชั้นต่างๆเรียกว่าวันณาซีเป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรซึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นตามชาติกําเนิดตลอดชีวิตความเชื่อในอํานาจดุลบันดาลของเท พ, พเจ้าต่างๆทําให้คนในชมพูทวีปนั้นหวังความอยู่รอดปลอดภัยและโชคลาภความสุขสิ่งที่ปรารถนาจากการดุลบันดาลของเท พ, พเจ้าเมื่อหวังผลประโยชน์ความสมปรารถนาจากอํานาจดุลบันดาลของเท พ, พเจ้าก็ต้องอ้อนวอน ในการอ้อนวอนก็ต้องเอาอกเอาใจชาวอินเดียจึงได้พยายามเอาอกเอาใจเทพเจ้าทั้งหลายโดยประดิษฐ์ประดอยวิธีการเอาอกเอาใจต่างๆขึ้นมามากมายอย่างที่เรียกว่าเป็นการเส้นสวงอ้อนวอนการเส้นสวงอ้อนวอนนั้นเมื่อทำไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเทพเจ้าจะพอใจหรือไม่การเอาอกเอาใจจึงไม่มีที่สิ้นสุดคราวนี้เส้นสวงไปเท่านี้ ก็ยังไม่ได้รับผลที่ต้องการแทนที่จะหาความจริงกลับนึกว่าตัวเองเส้นสูงไม่พอพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้ายัางไม่โปรโดก็เลยต้องเพิ่มเครื่องเส้นอีกพอเพิ่มไปแล้วเกิดพอดีได้รับผลที่ต้องการแต่น้อยหน่อยก็นึกว่าเออนี่เราถวายเครื่องเส้นไปเท่านี้ท่านพอใจให้มาหน่อยนี่ถ้าเราถวายเครื่องเส้นมากกว่านี้ท่านคงจะโปรโดมากกว่านี้ เราก็จะได้รับผลมากกว่านี้ก็เลยเติมและเพิ่มเครื่องเส้นเป็นการใหญ่ต่อมาเจ้าพิธีคือพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ติดต่อกับเท พ, พเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าได้รู้ความประสงค์ของเทพเทวาทั้งหลายก็มาบอกอีกว่าเนี่ยนะเทพเจ้าองค์นั้นซึ่งมีความสามารถเก่งในทางนี้บรรดาสิ่งนี้ได้ชอบเครื่องเส้นแบบนี้ องโน้นเก่งในทางโน้นชอบเครื่องเส้นแบบโน้นเอาละสิทีนี้เมื่อต้องการผลประโยชน์ด้านไหนจะบวงสวงอ้อนวอนเทพองค์ใดและจะใช้เครื่องเส้นอย่างไรก็ประดิษฐ์ประดอยกันไปแล้วลงทุนกันมากขึ้นคนอินเดียก็เลยวุ่นกับการบูชายันการบูชายันเพื่อเอาใจเท พ, พเจ้าได้มีกันขึ้นมากมายจนกระทั่งในที่สุด ก็ใช้ชีวิตบูชายันเช่นเอาวัวห้าร้อยตัวแพห้าร้อยตัวแกะห้าร้อยตัวมาเส้นสวงบูชายันเทพเจ้าหรือเอาม้ามาฆ่าบูชายันตลอดจนเอาคนฆ่าบูชายันก็มีจึงเกิดเป็นพิธีบูชายัญมากมายหลายชนิดเพื่อผลตอบแทนในลักษณะต่างๆซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อทรัพย์และอำนาจหรือลาบและยศตลอดจนสวรรค์ สภาพเช่นนี้เป็นไปทั่วในสังคมอินเดียจนถึงยุคพุทธกาลมีเรื่องราวปรากฏในพระไตรปิฎกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วสเสด็จไปในที่ต่างๆทรงพบกษัตริย์เช่นพระเจ้าประสเสนที่โกศลบ้างพระมหาศารบ้างกำลังจัดพิธีบูชายันพระองค์ก็ได้ไปทรงพบปะสนทนากับท่านเหล่านั้นและทรงแนะนาสั่งสอนทำให้ท่านเหล่านั้นบางท่าน ละละเลิกการบูชายัญไปสิ่งที่ต้องการพูดในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการเชื่อในอำนาจดลบันดาลของเทพเจ้าทั้งหลายที่แสดงออกด้วยการอ้อนวอนบูชายัญ น, นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องพระองค์จึงได้ทรงสอนชาวอินเดียใหม่ว่าท่านทั้งหลายจงดูสิในธรรมชาตินั้นมีความจริงอยู่ ความจริงนี้ก็คือกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือการที่ผลเกิดจากเหตุเหตุทำให้เกิดผลสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่าไปมัวมองดูว่าเป็นฤทธิ์ดนบรรดาลของเทพเจ้าความเป็นจริงที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นเรียกว่าธรรมะเมื่อไม่มีใครมาบังคับ ก็ต้องปกครองตัวเองให้ได้ต้องเรียกร้องกับตัวและฝึกตนเองให้ทำธรรมะก็คือความจริงได้แก่กฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามธรรมะคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือตามกฎธรรมชาติอันนี้มนุษย์ต้องการผลอะไรก็ต้องทำเหตุที่จะให้เกิดผลนั้น ไม่ต้องไปมัวอ้อนวอนรอคอยการดนบันดาลของเทพเจ้าเมื่อทําเหตุตรงที่จะนํามาซึ่งผลผลก็เกิดขึ้นมาตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการทําเหตุการกระทําเพื่อให้เกิดผลที่ต้องการด้วยเรี่ยวแรงของเราเรียกว่า ก, กรรมเพราะฉะนั้นธรรมะหรือหลักความจริงในกฎธรรมชาติ จึงเรียกร้องให้เราทำกรรมคือธรรมะบอกเราว่าเธอต้องการผลใดเธอต้องทำเหตุของผลนั้นแต่กรรมหรือการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้ความเพียรไม่เหมือนกับการไปอ้อนวอนเท พ, พเจ้าถ้าเราไปอ้อนวอนเท พ, พเจ้าพอเราอ้อนวอนท่านเสร็จเราก็นอนหวังรอคอยผลแล้วแต่ท่านจะบันดาลให้ แต่ถ้าเราทำเหตุให้เกิดผลเราก็ใช้ความเพียรพยายามตั้งกำหนดทำเอาด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสหลักกรรมคู่กับหลักความเพียรจเห็นได้ว่าในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระองค์เองว่าเป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีต้องเรียกคู่กันกรรมวาทีผู้ถือหลักกรรม วิริยะวาทีผู้ถือหลักความเพียรและเรียกชื่อพระพุทธศาสนาว่ากรรมวาทะวิริยะวาทะแปลว่าหลักการแห่งกรรมหรือหลักการกระทาและหลักแห่งความเพียรพยายามมนุษย์จะต้องทากรรมและทาด้วยความเพียรพยายามอันนี้คือหลักการของพระพุทธศาสนา หมายความว่าทำกรรมที่ดีเพื่อให้เกิดผลที่ดีด้วยความเพียรพยายามของเราเองแทนที่จะไปเส้นสูงอ้อนวอนแล้วรอคอยผลที่เกิดจากการดุลบันดาลของเท พ, พเจ้า<ๆ>ก็หันมาทํากรรมที่เป็นเหตุให้เกิดผลด้วยความเพียรพยายามของตนอย่างไรก็ตามมนุษย์แม้จะทํากรรมด้วยความเพียรพยายามแต่ถ้าทําไม่ตรงเหตุปัจจัย ท, ทั้งที่ทำเสียยนเหนื่อยยากลำบากด้วยความเพียรเต็มที่แต่ก็ไม่เกิดผลตามที่ต้องการเพราะเหตุไม่ตรงผลเมื่อการกระทำนั้นไม่ตรงกับผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นมันก็ไม่สําเร็จเรียกว่ากรรมนั้นไม่ตรงตามธรรมคำว่าธรรมคือธรรมะเพื่อไม่ให้ผู้ฟังสับสนในบางประโยคจะอ่านว่าธรรมะนะครับ เมื่อการกระทานั้นไม่ตรงกับผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นมันก็ไม่สาเร็จเรียกว่ากรรมนั้นไม่ตรงตามธรรมคือกรรมนั้นไม่เป็นเหตุปัจจัยของผลดีที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะทำอย่างไรให้เกิดผลสาเร็จก็ต้องมีปัญญารู้เหตุปัจจัยแล้วทำกรรมให้ตรงเหตุปัจจัยคือต้องรู้ธรรมะได้แก่รู้ความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยนั้น เมื่อรู้ตัวเหตุปัจจัยในธรรมชาติตามหลักธรรมกรรมที่ทําก็สอดคล้องกับธรรมะคือถูกต้องตามกฎธรรมชาติเมื่อกรรมสอดคล้องกับธรรมะก็เกิดผลที่ต้องการขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าต้องมีปัญญารู้เหตุปัจจัยเพื่อให้ทํากรรมได้ถูกต้องตามธรรมะพูดสั้นๆว่ารู้ธรรมะนั่นเอง ทำอย่างไรจะมีปัญญารู้ธรรมะรู้เหตุปัจจัยขึ้นได้ก็ต้องมีสิกขาหรือศึกษาคือต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องพัฒนาตนแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเพื่อให้กรรมคือการกระทําเกิดผลตามธรรมะจึงเรียกร้องว่าเราจะต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าสิกขา เพราะฉะนั้นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาก็คือสิกขาโดยในยานนี้ชีวิตมนุษย์จึงต้องเป็นชีวิตแห่งการศึกษาคือต้องฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลามนุษย์เรียนรู้ขึ้นมาก็จะทำกรรมที่เป็นกุศลยยิ่งขึ้นกรรมนั้นก็จะเป็นไปเพื่อผลดีที่ต้องการชีวิตก็จะประสบความสุขความดีงามยิ่งขึ้นไป รวมความว่าเมื่อสิกขาหรือศึกษาก็เกิดปัญญาจึงรู้ธรรมะแล้วก็ทำกรรมได้ตรงเหตุปัจจัยจึงได้ผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าดึงคนจากเทพมาสู่ธรรมแล้วหลักธรรมก็เรียกร้องหลักกรรมหลักกรรม ก็เรียกร้องให้มีสิกขาคือการศึกษาสิกขาก็เอาปัญญามายงกรรมให้กรรมถึงและถูกทมศิกขาหรือศึกษาเรียกเต็มว่าไตรสิกขาเป็นระบบการปฏิบัติทั้งหมดของชาวพุทธชาวพุทธนั้นถือว่าชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยการศึกษา และชีวิตที่มีการศึกษาก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามเดินถูกทางที่เราเรียกว่ามัคเพราะฉะนั้นสิกขาก็สอดคล้องกับมัคสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญามัคย่อลงแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญาดังนั้นชีวิตดีงามที่เดินตามมัค ก, ก็คือชีวิตที่มีสิกขาคือการศึกษานั่นเอง เราสิกขาคือฝึกชีวิตให้เป็นอยู่ดีเราก็มีมัคคือมีชีวิตที่เป็นอยู่ดีหรือดำเนินไปได้ดีฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นพูดตามสำนวนนี้ว่าหัดดำเนินชีวิตให้ดีเป็นสิกขาแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ดีหรือด้วยดีเป็นมัคสิกขาก็ทำให้ดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้น เรียกว่าก้าวหน้าไปนิมมัตในที่นี้ต้องการเน้นว่าหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาก็คือการที่เราต้องทํากรรมด้วยความเพียรพยายามและจะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อจะทํากรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแทนที่จะคิดว่าเราจะขอให้ใครช่วยเราจะไปอ้อนวอนเทพเจ้าองค์ไหนให้ทําให้เราก็หันมาถามตัวเองนี่แหละว่าเราจะต้องทําอะไร และเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเราอย่างไรเพื่อให้การกระทำของเราได้ผลดียิ่งขึ้นนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาที่ถามว่าเราจะต้องทำอะไรก็คือหลักกรรมและที่ถามว่าเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเราอย่างไรก็คือหลักสิกขานั่นเองยิ่งกว่านั้น ในกระบวนการที่เราจะต้องทํากรรมด้วยความเพียรพยายามและมีการศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนตลอดเวลานี้ท่านยังย้ำด้วยหลักอั ป, ปมาธะอีกว่าจะต้องมีความไม่ประมาทไม่ประมาทหมายความว่าต้องใช้เวลาแต่ละขณะที่ผ่านไปให้เป็นประโยชน์ที่สุดต้องเร่งรัดภาคเพียนจะผัดเพี้ยนไม่ได้จะทอดทิ้งปล่อยปละละเลยไม่ได้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 จึงอยู่ที่ตัวเราเองจะต้องมีจิตสานึกในการศึกษาคือการที่ระลึกตรหนักอยู่เสมอว่าเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนให้มีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไปด้วยความรับผิดชอบต่อธรรมะคือกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าขาดจิตสานึกในสิกานี้เสแล้วก็หมดพลังก้าวชาวพุทธก็ร่วงหลุดออกจากธรรมะหล่นลงไปสู่เทพ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 พระพุทธเจ้าดึงเราขึ้นมาแล้วจากเทพมาสู่ธรรมะมาสู่กรรมมาสู่สิกขามาสู่ความไม่ประมาทอันนี้เป็นหลักการที่หนึ่งที่เสนอให้สำรวจ